أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <ت ص في ق> الحمد لله رب العالمين اللهم صل و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا ا ل ا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم รับบ ر ชรั صدر ي و ิสิร์ล م อัมริวอัพลูลูอักรดัต قه วค ولي อัลลัฮฺมันฟะงน علمتناعلمنا ما ي ن ف ع ن ا و ز د ن ا ع ل م ะอัล ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ر ر ا و إ ل م ت و ك ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن อ ا ลบ ا น ن เ م ن ل د ์ค ر حمةوهيئلنا من อ م ر ริา رش ชาดะอัลฮ ل มุชูคอร์ตอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอัลลนะครับเป็นครั้งที่สองหลังจากผ่านรอมฎอนที่เราได้มานั่งทบทวนอัลกุรอานอัลกิริมมา่านอายัดสั่งอายัดในแต่ละสัปดาห์อัลฮัมดุลิลลาระวังว่าช่วงเวลาเล็กๆกน้อยๆอยเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่จะสะสม ความดีแต้มแห่งผลบุญที่อัลลอฮฺสุบัยน์อวลตะอัลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับเรานะครับมีฮะดีษที่รายงานจากอุกบะผมอยากจะเล่าให้ฟังฮะดีษนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับท่านอุกบะเป็นอาหมร์ของอัลลอฮฺอัลเลท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเรานั่งอยู่บริเวณสุฟฟะสุฟฟะก็คือบริเวณหลังด้านหลังของมัสยิดของนบี กครที่เคยไปมาดีนะเนี่ยเราจะได้ยินอัลลูซุฟะชาวซุฟะเป็นระเบียงมัสยิดของท่านนบีสุลต่านที่อยู่ด้านหลังเป็นที่พักของบรรดาพวกเอ่าสัฮาบะที่มาจากมาจากที่อื่นอบูฮุไรรออย่างเนี้ยเป็นคนที่อื่นนะอบูฮุไรรอไม่ใช่คนมาดีนนะเป็นคนจากเผ่าอื่นเดินทางมาอยู่ที่มาดีนะนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเรียนกับท่านนบีเหมือนเด็กก่อนเนาะ แต่ว่าไม่ได้มีปนก็แต่ว่ามีบริเวณบริเยณมัสยิดอับูุอาบูไรรัฐก็อยู่ตรงนั้นสัฮาบะคนอื่นๆที่มาจากต่างชิ่นคนที่ไม่มีบ้านก็จะอาศัยอยู่บริเวณซุฟ่านะครับแล้วท่านนบีก็จะไปนั่งพูดคุยกับสัฮาบะของท่านตรงโซฟาเนี่ยเป็นครั้งเป็นกล่าวบ่อยครั้งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีก็ออกไปแล้วก็ไปเจอบรรดาสัฮาบนั่งอยู่ เราะฟถามนอวัดดอันเดมนไปอทานหุอาะมาถึบนมันย่งน่านี้อาี้ยางี้างหยานยนหรือย่น่าหย้างนอ่านอารออานออาือ่งน่างีอ่น่าหาน้่งหอยนีหยนีย่ง้ย่งรออย่ีออ่านรือนีย่อย่างอย่งร่าีร่าาน สถานที่นอกเมืองมาดีนะเป็นเหมือนผ่าบ้านเราก็คือออกไปนอกเมืองเป็นป่าเป็นมีสัตว์มีอะไรต่างๆนานาให้ไปหาให้ไปอะไรเนี่ยหรือออกไปยังว่ดดิลอาคีดิลอาคีเนี่ยเป็นสายทานน้ำทานน้ำไหลอาจจะไม่มีน้ำช่วงฤดูแล้งนี่ไม่มีน้ำแต่เวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะเต็มเราวาดีอยู่ ด้านหน้ามหาลมเลย์ม adinah เลยถ้าใครเคยไปมหาเลยม์ม adinah เนี่ยข้างหน้ามหาเลยเนี่ยจะมีวาดในอัคีซึ่งก็อยู่นอกเมืองมดีนะกันสมัยนั้นสมัยนี้เนี่ยมันรวมไปหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะมาแทบจะเ อ, อไม่เป็นป่าแล้วก็คือบ้านเมืองก็คือขยายออกไปจนถึงเขตนอกเขตฮารอมไปแล้วออกไปที่บุษฮานออกไปที่อคัคคีแล้วกลับมา ได้อูดสองตัวซีไรรอิสมินวะลาคาเจรห์เมนได้อูดสองตัวเนี่ยไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปยักยอกทรัพย์คนอื่นได้มานะครับได้มาก็คือเหมือนกับไปจับอูดที่ไม่มีเจ้าของอูดที่อยู่เป็นอูดที่อยู่ข้ามกลางทะเลทายอะ่ะก็ไปจับกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้เป็นไปการขโมยอูดของใครมานะก็คือได้มาเป็นเจ้าของโดยสิทธิที่อันชอบธรรม เดินออกไปนอกเมืองสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้ปูนมาสองตัวเอาไหมแบบนี้มีใครไม่เอาบ้างล่าบาทุกคนที่นั่งอยู่ก็บอกว่าเอาสิฉันอยากจะได้แบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮะดูอับดุล ح ุมอีลาล์มัสยิดฟัยะเลมหรือย์ควร่าอายต์เอนิม์คิทาบอัลละไชรุลละห์มินาคเถนวลลาสุรุลหมินล وأربعخير ومن أعدادهن من ا, أ, إ, ا ل ا و كما قال على صلاتنا أ ن ب ي و ض ه ฉันจะบอกให้การที่พวกเจ้าแต่ละคนเดินไปมัสยิดแล้วไปนั่งเรียนอายะท์อัลกุรอานสองอายะท์ไปนั่งทบทวนไปอ่านอายะท์อัลกุรอานสองอายะท์ดีกว่าอูดสองตัวสามอายะท์ดีกว่า อุดสามตัวสี่อายาัดดีกว่าอุดสี่ตัวห้าอายาัดดุยตัวอุดอ้าตัวนับได้กี่อายาัดก็ดีกว่าเท่ากับจํานวนดีกว่าจํานวนอุดที่นับเท่ากับจํานวนอายาัดที่เราเรียนหรือที่เราอา่านมาชาอัลลอฮ์นะครับนั้นๆะนะเราจะได้เรียนฮะดิษแบบนี้ที <laughs> เราจะได้ทบทวนฮะดิษแบบนี้เอามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับว่า การทำความดีสะสมความดีที่จะกลับไปหาอัลลอสุลานหวะตาลาเนี่ยบางทีเราทำในช่วงเดือนรรมดอนทำเยอะมากนะครับพอหลังจากระมดอนแล้วเหมือนกับหมดกำลังใจต้องเจอกับหลายๆอย่างต้องทำงานหนักต้องไปออกนูน่นหลายเรื่องที่มันเข้ามาในหัวเราโอเคละชีวิตนอกระมดอนอาจจะไม่เท่า ในช่วงเดือนร a ม a d a ที่เราทำอาลมังความดีเยอะแยะไปหมดเลยอย่างน้อยก็อยากให้มันห่างหายนะครับอย่างที่เราบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิสติกละการยืนหยัดบางทีเราไม่สามารถที่จะเอาได้ร0อยเปอร์เซ็นตร้อยคะแนนเต็มก็พยายามรักษาสภาพให้มีความคุ ก, กรุ่นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจว่าที่เรามานั่งเรียนกันอย่างนี้นอกจากจะเป็นการรักษาอิสติกละแล้ว เฮ้ยจริงๆแล้วมันยังได้ความดีที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยคิดนะ่ะอ่าอายะช้ยสองอายัตเท่ากับสองตัวสาหอายัไม่ใช่เท่ากับนะมากกว่าดีกว่าสองตัวนะครับดีกว่าอูดสองตัวแล้วอูดเนี่ยที่ท่าน น, านบีบอกที่ท่าน น, านบีบอกในฮะดิษนี้ก็คือเข้ามาไว้เป็นอูดที่โนกใหญ่ๆซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ ไม่ใช่ปวดที่ผอมแองไม่มีไขมันไม่มีเนื้อไม่ใช่นะครับสุภานัลลอฮ์ขอดูอานะครับขอให้เราเวงการวงชุมนุมของเราที่เรามาอ่านอายัดอัลกุรอานสัปดาห์ละสองอายัดสามอายัดเนี่ยขอให้มันเป็นการสะสมความดีของเราที่เราจะเอากลับไปหาอัลลอฮ์สุภานะวะทัลละอามีนอามีนยารบบลอามีนอ่ะวันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่อายัดแรกเลยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้อ่าน อายัดเอาคุรานนะครับเราไม่ได้อ่านแบบหลายๆคนวันนี้ขออนุญาตเอาตั้งแต่อายัดแรกเลยจะได้อ่านตามพร้อมๆกันอัลลอฮบิลลาฮิมีลัชชัยตันยุรุจิบิสลิลลาฮิ ผานอิรห์มผานอลรมผมรนิร ขَตั๊บฟูศิลต์อُเยตุห์น้นอาราบียั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 وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ُ و َ من بيننا َ وبينك َ حجاب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى จะตีมุ إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون zakat وهم بالآخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم อัจหรุงายรู่มมุอัลฮัมดุลิลละอ่านไปแปดอายัด น, นะครับสามหรือว่าสีอายัดที่ผ่านมาตอนแรกก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่ อ, อ, อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ อย่างที่บอกนะครับส um ุราห์นี้ชื er ่อสุราห์ฟุศแลนเป็นสุราห์ที่อัลลอฮฺซุลแลา์ประทานลงมามีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวรหัสเซอรเป็นสุราห์ที่พยายามจะเชิญชวนโน้มน้าวบรรดาพวกมุชลินในสมัยของท่านนบีสุลแลห์อะลัยวะสัลลัมให้เปิดใจรับฟังอัลกุรอานุลการินพยายามที่จะเปิดเผยถึงสัจธรรม ความจริงของอัลกุรอานว่าเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับพวกมุชลิกีนไม่ได้เชื่อฟังท่านนาบีพยายามที่จะหาคนมาตอบโต้มาโต้แย้งแล้วก็มาชักจงูงมาทำให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุซลมค่อยเขวะนะครับถึงกับส่งตัวแทนมาเจรจานะครับอย่างที่เราทราบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออัตบะ อิบเนลบิยะนะครับเป็นตัวแทนของพวกมุชลินที่มาพูดคุยเจราจากับท่านนาบีให้ท่นนานนบีนั้นเลิกทําหน้าที่ในการเชิญชวนสู่อิสลามนะครับถ้าเราไปดูในทัฟซีร์ของอิโนคาซีรเนี่ยเป็นราย ง, งานที่ค่อนข้างจะยาวนะครับสองหน้าเรื่องราวที่ว่าอัตบะเป็นรบิยะมาพูดคุยกับท่านนาบีพูดคุยปะปะปะอะไรนะโน้มน้าวอย่างงูน้นอย่างนี้ถ้าจะเอาตังก็จะหาตังให้ถ้าอยากจะเป็นผู้นํา ของชาวมักกะก็จะแต่งตั้งให้เป็นกรรษัตริย์ของมักกะให้ถ้าจะเอาภรรยาล่ะมาจะจัดอาสาวหญิงหญิงสาวที่สวยที่สุดให้อัลลอบิก็ น, นิ่งฟังอย่างดีนะครับไม่ได้มีมารยาทนะครับไม่ได้โต้เถียงไม่ได้ตัดแทรกคําพูดของอัจบาตายานใดแต่สุดท้ายนะพอเสร็จสับเรียบร้อยอัลลอฮฺจะพอพูดจนกระทั่ง ไม่ร um ู้จะพูดอะไรแล้วท่านนบีก็ถามกลับไปว่าอแล้วจะเสร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมที่จะพูดอ่ะอละนะมจบแล้วนะแค่นี้ท่านนบีก็เลยเริ่มต้นอ่านอุสมิลลาฮิรราะห์มานีลราะห์มอามินต็นซิลุมินอัลราะห์มานีลราะห์มจนกระทั่งถึงอายะต์ฟะอินอารดุถักุลอันดารตุคุมซายัคตันมื่ลซอยัคติอาดินวะมู ฟังแล้วกลึงตรงอายะที่อัลต้าลาพูดถึงถ้าพวกเจ้าไม่รับฟังฉันก็ขอเตือนว่าพวกเจ้าอาจจะได้รับการลงโทษเหมือนกับที่พวกอารและพวกสมูธเคยฉูกลงโทษมากรอนหน้านี้อัลต้าลาพอถึงอายะนี้ปุ๊บกลัวอะไรพอล้วพอแล้วไม่ต้องอ่านละพออย่าพูดมากกว่านี้อย่าอ่านมากกว่านี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหม อันนี้เด็กเบอกวาไม่ใช่ละแต่อันให้เจ้าฟังเอาเอาอัลกุรอานเป็นการโต๊กลับมา s h a l l a h ไม่ได้เอาตั ก, กะัน น, นู่นนั่นเยอะๆมากมายอันอัลกุรอานก็แล้วแต่ล ะ, ล ะ, ะลให้ฟังแล้วอัลกุรอานก็เป็นภาษาของพวกโอรชพวกกุเรชพวกที่เอ่อเขาเรียกว่าทิฐิสูงเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่อว่าเก่งในเรื่องของภาษาอาหรับแต่พอมาเจอกับคําพูด นอัลกุรอานเริ่มต้นด้วยฮามีก็ไปไม่ถูกนะภาษาอาหรับมิดูเหรอแบบนี้ฮามิงอันซิลุมินอัร์มานิอัรักุรอานัลอรบิยาลิคอมิ่นั่นแหละที่สุดของภาษาอาหรับอัลกุรอานคือที่สุดของภาษาอาหรับแม้แต่พวกโคเรชเองก็ไปไม่ถูกเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโต้แย้งกลับมาจะกล่าวหาว่ามันเป็น วันท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยเป็นโตเซฮรเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่เสฮรถ้าเป็นเซฮ์รคุณป้าบอกว่าฉันรู้ดิเซฮรเป็นยังไงเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่เสฮรนี่ไม่ใช่มนเวทมนเพราะเวทมนมันต้องเป็นแบบอื่นมันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต้องเป็นการละมุลลอห์ที่ Allah ตรัสประทานลงมาเท่านั้น Allah ตรัสพยายามนะครับใช้คําที่มันแบบ ซฟที่สุดแต่ซีลอนผินรห์มานรีโอ้พวกเจ้าเนี่เป็นอัลกุรอานที่ลงมาจากอัรห์มานลงมาจากผู้ทรงเมตตาลงมาจากอัรหีบลงมาจากคนที่มีความเมตตาที่สุดดังนั้นในอัลกุรอานเนี่ยมันมีเนื้อหาที่มีความเมตตาให้กับพวกเจ้าแล้วเป็นฟุศิลัตอายะตุอา์ของมันเนี่ยอธิบายทุกอย่าง ที่เป็นความจำเป็นของมนุษย์อะไรบ้างที่เป็นปัญหาของเจ้าเขากุัอ่านจะมาไขคำตอบให้กับเจ้าหมดทุกอย่างเลยสำหรับคนที่ฟังแต่ไม่ฟังอะ่ะภาษาอาหรับแล้วภาษาของพวกโคเรชเองแล้วนะแล้วก็เป็นภาษาที่อธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับฟังนั่นแหละพวกนี้ว่ายังไงอายักที่ห้าเนี่ยพวกนี้ว่ายังไง ว่ากัลูฟะฮุมล م ย์ย์สมะยูนนกจักจะไม่ฟังแลวเนี่ยยังกล่าวอย่างเงี้ยว่ากัลูคุลูบุน่าฟีินน์ต์น์มิมมา ن ัดยู ل ่าอ ه ละอิละอิละฮะอิละลลาห์ไม่ฟังแล้วยังบอกว่าหัวใจของเรานั้นมีฝาอกินน์เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรนะว่ากัลูคุลูบุน่าฟอินน์ตน คิดหนักในสิ่งที่ปกปิดหม่ำมาตด عونا إليه จากสิ่งที่เจ้าเรียกร้องเราอัลลอฮฺอัลลอฮไม่ต้องพูดปะฮฺมัดพูดยังไงหัวใจเราก็ไม่รับหรอกคือปิดหัวใจแต่แรกน้าอูบุบิลลาฮฺมินดาริกมินบยนะวเบนคะจบนอกจากหัวใจแล้วเนี่ยตาก็เหมือนกันเบยินะ ว่าใบหน้าก็หิบัระหว่างเรากับเจ้าเนี่ยมันมีม่านกั้นทำให้เรามองไม่เห็นเจ้าคือเป็นการยอมรับของของใครของพูกมุสรินเองนะยอมรับว่า เ, ออเราไม่อยากฟังอะ่ะจะพูดยังไงเราก็ไม่ฟังปิดทุกช่องทางหูไม่ยอมฟังตาก็บอกว่ามีม่านไม่ยอมเห็นไม่ยอมดูมีตาแต่ไม่ดู หัวใจไม่ยอมเปิดให้ฟังมันคล้ายๆกับอายะห์เจ้าละตาลาพูดถึงในสุรุตุลอาลอที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าคนเ่านี้มีหัวใจแต่ไม่เข้าใจมีตาแต่ไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินหรือตอนต้นของสุรุตุลเบคาระอินนัลลัตตินคัฟารุซาวะอัลเลหิมอัลน์ารามอัลัมตุลดารฮุมลายูคินุนขตัมลลหฺอลา หัวใจเนี่ยมันมีอยู่สองช่องทางนี่แหละก็คือฟังหรือไม่ก็ดูใช่ไหมครับไม่ดูแต่ถ้าฟังบางคนมองไม่เห็นแต่หัวหัวใจยังได้รับฮีดายัตเพราะว่ายังมีช่องทางอื่นที่ให้ฮีดายัตเข้าไปในหัวใจแล้วก็คือการการฟัง หรือบางคนอาจจะได้รับปฎิญยะด้วยการดูดูมัคคุโลของรัศมีว่างตระเลยโดยความยิ่งใหญ่ของอัศมีว่างตะอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้ามาในหัวใจได้เหมือนนบีอิบรอฮิมอะไรงล้ลนนบีอิบรอฮิมเนี่ยใช้หลักฐานในการดูไปด่าวะพักพวกของตัวเองดูดวงอาทิตย์อ่าแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าจริงๆทําไมมันต้องตกมันมันต้องไม่ตกสิถ้าดวงอาทิตย์ตกดวงจันทร์ก็ตก ดวงดาวก็ตกใช้การดูเ no. ป uh, no şey ็นหลักฐานเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกมุชลิกีเนี่ยช่องทางที่จะทําให้ตัวเองได้รับอิดายัตเนี่ยปิดบดหูไม่ยอมฟังตาไม่ยอมดูและหัวใจก็ไม่เหลืออะไรละดังนั้นเราต้องละจึงปิดกั้นคนเหล่านี้ลลลบบาเพราะฉะนั้นฟาม์มลินนาณะามิลุนทำจะเอาเจ้าจะว่าอย่างไงก็จะเอาไป จะเชิญชวนยังไงก็ว่าไปเราจะปิดของเราเองอะแล้วแต่จะเอาอยังไงก็เอาวะฮะมาัดจะด่าวาก็ด่วาวะไปสิเราก็จะไม่หยุดที่จะต่อต้านเจ้าเราก็จะทําเหมือนกันในแบบของเรานะครับแต่ที่สําคัญก็คือยังไงยังไงเราก็ไม่ยอมรับเจ้าไม่ยอมรับการด่วาวะเจ้าแน่นอนไม่ว่าอีกกี่ปีที่เจ้าจะด่วาวะก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเอาเลยจะเอาอยัางไงก็ว่าไป لا إ อ ه إلا الله ฉันสักรู้อลลอฮ์และทุกข์อิเล่ย์ไมีเหตุอันใดที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่ยอมรับหรือถ้าเราถามคำ ถ, ถามแบบรวมๆมามนุษย์แบบไหนกันอะที่พูดแบบนี้ออกมาจากปากแบบเออไม่เอายังไงก็เป็นมนุษย์แบบไหนกันอะคือไม่ยอมฟังเลยเหรอไม่ยอมแบบซัก หนึ่งแบบเปิดใจฟังเปิดหูเปิดตาสักหน่อยหนะึ่งไม่ยอมเลยยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเนะี่ยแต่ฟังก่อนมันยังก็ไม่เอาเลยหรือแสดงว่าต้องหัวรันหัวดือ้อมากๆมนุษย์แบบนี้นะอูบิลลาฮิมิญาลิกอย่าให้มีนะครับอย่าให้มีแบบนี้อย่างน้อยก่อนที่จะตัดสินว่าจะเลือกเอาหรือไม่เอาฟังก่อนก็ยังดีดูก่อนก็ยังดีเปิดใจให้ ใ ห, ให้ให้ให้มันกว้างกว้างก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ยันบิดนีด่ไม่เอาตั้งแต่แรกอ่ะเอาจะเป็นล่นะ illah, น่ากลัวมากนะครับถ้ามีถ้าใครที่มีนิสัยแบบนี้ละอิลาฮะอิละลลอฮ์เอาจะเป็นละฮะมินดายหน่าจะเป็นเพราะอย่างอื่นแนะ น, น่นอนนะครับพวกมุสลินเนี่ยที่ไม่ยอมรับท่านน บ, บีสุลต่านไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าอัลกุรอานเป็นของจริงไม่ใช่อัลกุรอานพวกเขายอมรับ เพราะไม่รู้คือไม่รู้จะว่ายัางไงนกับอัลกุรอานมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคําพูดที่สร้างขึ้นมาเองโดยคนอย่างมุฮัมมัดเป็นไปไม่ได้ผมมัช่ิกมิ น, นโดยดุสเดียอมรับว่าอัลกุรอานเป็นวะฮิยุจากอัลลอฮฺสุบไบร์ตัลัตเตาะที่ดื้อรันขนาดนี้เนื่องจากความตะ ก, กบบรบดตัวเองเป็นคนใหญ่โตเป็นคนมีระดับเป็นคนระดับสูงในสังคมแล้วอะไรอ่ะเนี่ยมาจากไหน เป็นเด็กยังไม่เซ็นกลิ่นนำ้ำนมทั้งหมดง่ายๆภาษาแบบดูถูกใช่ไหมเป็นเด็กที่มาหลังจากตัวเองแล้วมาอยู่ดีๆก็จะมาเหมือนกับจะมายึดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยปรองเอาไว้ในส่วนขมักกะยอมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลก็คือความตะ ก, กบบออัลกียาบุบิลละแล้วอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى หลังจากที่พูดถึงพวกมุชริกีนท่านก็สั่งอัลลอฮฺต้าลาก็สั่ง ท่านบีนะพระองค์ก็สั่งท่านนบีสลลลฮอัสลมให้ตอบกลับไปให้พูดให้รับมือกับคาพูดของพวกมันฉินิเหล่านี้กลับไปว่าอย่างไรลอิลฮอิลลลฮ์อุลจงกล่าวถึอัมุฮัมมัดอินนามอนบะชรุมอิสลุุมยูฮาอิยอินนามอิลลฮุุมอิลหน จงกล่าวเถิดอุโมฮัมมัดว่าแท้จริงแล้วฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเจ้าอัลลอฮฺอักบัลอฮ์เพราะอะไรครับทําไมท่านนาบีต้องบอกอัลลอฮ์แต่เราต้องให้บอกว่าฉันนี่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเจ้าเพราะว่าพวกมุชลิมีินเองนั่นแหละพวกมุชลิมีกินเองเนี่ยเคยพูดกับนบีว่าทําไมไม่ส่งมาลายกัดมาทําไมต้องเอาคนธรรมดาธรรมดามาเป็นราซูลด้วย ใครมีคำพูดเหล่านี้ต่พวกมันจิไกิไม่เอาไม่ยอมรับคือสรรหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อจะมาบอกว่ายัางไงก็ไม่เอาขหมันแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอัลลอฮละาลาก็ให้นบีตอบกลับไปว่าง่ายๆเลยฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเจ้าอัาลลอฮลาส่งฉันมาเนี่ยฉันมีหน้าที่ของฉันเรื่องเดียวเท่านั้นยูฮาอิเลออัลลอลาให้วะฮยู ให้คำสั่งกับฉันว่าอันนามอิลลฮุคุมอิลลฮุวา ا ح د ให้ฉันมาบอกกับพวกเจ้าว่าแท้จริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าที่พวกท่านจะต้องเคารพพักดีต้องเชื่อฟังและบูชาต้องอิบะดาอิลลัฮุน واحد มีพระเจ้าแค่องค์เดียวนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุลฮะตะวะสลลัมคำนี้แหละที่คนเหล่านี้ไม่อยากฟังที่สุด ละอิลลัฮิอิลลอฮฺคำว่าอิละห์นว่าเหตเป็นคำที่พวกมุชรินไม่อยากฟังที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะสังคมของพวกเขาเป็นสังคมที่อะลิฮตจนเป็นสังคมที่มีพระเจ้าหลายองค์รอบๆอบกะบะเต็มไปหมดเลยและคนเหล่านี้ก็เข้าใจดีคำว่าอิละห์หนว่าเหตคืออะไรเมื่อไรก็ตามที่ยอมรับว่าละอิลลฮิอิลลอฮนั้นหมายถึงทุกอย่าง ทุกอย่างเลยนะที่อยู่รอบๆทั้งหมดเลยเนี่ยต้องถูกละทิ้งจนหมดสิ้นซึ่งยอมรับไม่ได้อยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วอ่ะอยู่กับแบบนี้อยู่กับประเพณีแบบนี้อยู่กับศาสนาแบบนี้มาเป็นร้อยรอย้อแล้วอยู่ๆเจ้าจะมาบอกว่าอีละคนว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เอาอัลลอฮฺบิลละฮฺเป็นซาลิกละไอ้อัลลอฮฺขอดุทิศต่อรัตต้าลาอย่าให้เรามีนิสัยอย่างนี้ อิลลัลลอฮฺอีกอย่างหนึง่งนะครับการที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตตฺอาลาใช้ให้ท่านนาบีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์แสดงว่าท่านนาบีไม่ได้มีอํานาจไงหมายถึงว่าไม่ได้มีอํานาจที่จะให้ใครศรัทธาหรือไม่ศรัทธาการศรัทธานี่มันบังคับกันได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอา้าฉันอยากจะให้คนนี้ศรัทธาเพราะเป็นญาติสนิทฉันว่าหมัดทําได้ไหมอัลลอฮฺอัสซาดฺลา คนที่ท่านรักที่สุดอย่างอบูตอเลบรับอิสลามหรือเปล่าท่านนบีร้องไห้ตอนที่อบูตอเลบเสียเสียชีวิตท่านเฝ้าอยู่ที่หัวของอบูตอเลบแล้วก็พยายามพูดกับลุงของท่านว่าจงกล่าวตามฉันเถิดว่าลอิละฮะอิละลอแล้วฉันจะเอาคำพูดเนี้ยไปคุยไปเจราจาไปสนทตนาไปขอกับอัลลอฮฺตะอัลา์ในวันกิยามันให้กับท่านลุง สุดท้ายเป็นยังไงครับอบท่านนบีอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นพวกอบูจาฮัลเป็นพวกสายพวกหัวโจกรชั้งหลายเนี่ยพยายามดึงพยายามแย่งกันอยู่นะอูบูบินละท้ายบทตลบก็ไม่รับาะตะาะก็เลยประทานอาญาลงมาอินนะกะลดีมันอะพัตตะวัลกิมนะละลดีัท่านนบีเป็นคนท่านนบีไม่ใช่มาเลยท่านนบีไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับใครนะครับถ้าถ้าสมมติ พวกมุชาลิกินบอกว่าตาฉันบอดหูฉันหนวกหัวใจฉันถูกปิดกัน้นฉันไม่ฟังอิดายัก์จาก้ทาท่านนบีก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับคนที่จะรับหรือไม่รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่ทานนาบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอัลลอฮถ้าพวกเจ้าบอกว่าพวกเจ้าไม่รับฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงหน้าที่ของฉันมีแต่บอกให้ชัดทำหน้าที่ของฉัน ไม่ให yeah, e ja eh. ta eh. eh, ้บอกพร่องอัลลอฮฺตะลาบอกอย่างไรฉันก็จะบอกอย่างนั้นเจ้าจะฟังหรือไม่ฟังสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วผลรับกรรก็จะขึ้นอยู่กับตัวเองพิจารณาเองก็แล้วกันฟัซดะคีมูอิเลยนี่คือสิ่งที่ฉันต้องบอกฉันมาบอกว่าอัลลอห์มิมร้องเดียวฟัซดะคีมูอิเลยดังนั้นจงอิสติก้มาไปยังอัลลอฮฺเถอด จงมองไปยังลอิสติกละก็ให้ตรงไปยัง a l เจอาอินทรสอัลมุสติกิเส้นทางที่เที่ยงตรงอย่าไปอย่าไปทางนู้นอย่าไปทางนี้อย่าไปหาองค์นั้นองค์นี้ไปทางตรนะอิสติกิมุอิะอิสลามศาสนาไหอิสลาม a a h سبحانه และ تعالى ก็ตรงไปยัง Allah سبحانه และ تعالى อิสติกิมุอิละ พราะหรพระเจ้าที่แท้จริงมีแค่เดียนี่แหละอิสลามนี่คือฐานฐานที่แข็งแกร่งว่าของศาสนาอิสลามถ้าใครถามว่าอิสลามคือศาสนาแบบไหนบางทีเราก็ตอบไม่ถูกบางทีวเวลาที่พี่นอ้องอิสลามนี่เป็นอะไรคือหัวใจของศาสนาอิสลามเรารู้จักอิสลามดีแค่ไหนเราบอกคนคือได้ไหมถ้ามีพี่น้องต่างศา ส, สนาทมาถามเราว่าอิสลามคือศาสนาอะไรศา ส, สนาแบบไหนเราจะตอบว่าอย่างไง บอกเลยอิสลามคือศาสนาแห่งอัตโทฮีศาสนาที <squishy> ah. nah, ่นับถ e ืออัลลอ์พระองค์เดียวมุสลิมทุกคนคือผู้ที่มอบหมายแล้วก็ตรงไปยังพระองค์อัลลอฮ์ س ح ا ن ه ละ تعالى เพียงพระองค์เดียวศาสนาแห่งเตวีมอิสติกลามะถ้าเราจะขยายความคำว่าอิสติกามะก็คือเชื่อฟังอัลลอ ในช่วงสถานการณ์ชีวิตปกติของเราพยายามที่ให้ตัวเองอยู่บนเส้นทางของอละตะลาอย่างดีที่สุดอละตลาสั่งให้เราทําอะไรเราก็ทำละตลาสั่งให้เราเลิกอะไรเราก็เลิกอย่าไปทํานี่คืออิสติอวะท่านอบูบักฺรดิยัลลอฮฺอัลบอกว่าอัิสติควะมัก็คือการที่เราไม่ชีริกการที่เราไม่ชีริกปรักษาเตาวเองให้ดีคือการอิสติควะ อุมรอีมุลข ah ัตตาอัลลอฮ์อ ah ัลลัตติการะกะคืออัลลัตต ah ิการะต์อัลัมรละอัลลตารูาบอติกากะคือการที่เรานั้นร ah ักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ให้ดีลาสั่งอะไรเราก็ทำให้ดีแลาห้ามอะไรเราก็รักษาให้ดีและยามีเลี่ยมเหมือนกับสุนขจิงจอนี่คืออติกา อย่าเล่เหลี่ยมกับศาสนาของ Allah พยายามหาช่องทางเขาเรียก Allah บอกอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวขอขอไปทางนี้ก่อนพยายามหาทางเลี่ยงไม่ยอมไปตรงๆอันนี้ก็มีเจ้าเล่อย่าเล่เหลี่ยมกับ Allah ตราลากับศาสนาของพระองค์อันนี้คืออิสลามานะครับหนึ่งในจํานวนความหมายของอิสลามาเพราะฉะนั้นศา ส, สนาอิสลามอิสลามะในสถานการณ์ปกติให้มันง่าย เป็นมุสลิมให้มีความรู้สึกว่าไม่ขัดคืนอัลลอฮ์นั่นแหละอิสลามเราจะขัดคืนทำไมอ่ะเราจะขัดคืนสุนนะสุนนะตุลลอฮ์กับสุนนะของ ر س و ل u ล l a h صلى الله عليه وسلم มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปขัดคืนการที่เราไปขัดคืนสุนนะตุลลอฮ์ก็คือกฎเกณฑ์ที่ละตระกัากำหนดมาไหมว่าจะเป็นสุนนะเก่าเนีย้ยหรือสุนนะชรีมันไม่มีประโยชน์เลย เช่นเดียวกันเราเนี่ยถูกสังถูกบอกว่าให้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านเราซุลลุลาะสอลาลาะอย่าไปขัดขืนมอบไปมอกไปนี่ไงง่ายๆสุภานอห ล, ละในสถานการณ์ปกตินะอ่าอิสติกามะไปแล้วถ้าสมมติเส้นทางที่ว่ามันตรงอยู่อย่างเนี้ยบางวันบางเวลาบางช่วงบางจงังหวะเราดน ล, ลาก อาจจะใช้ตอนลากอาจจะฮวานับสูลล่ลากอาจจะดุนเนียลากไปหรืออะไรก็ได้ลากให้มันออกไปจากเส้นทางที่เที่ยงตรงอ่ะเข้าใจไหมครับออกไปขวามัง่งออกไปซ้ายมังยางทำยังไงวัสตัลฟิรูรีบอิสเิลฟาแล้วก็รีบหลับมาบางทีหลับในอาจจะหลับในแล้วก็ลงกันข้า ง, างรีบกลับมาพอตื่นมาให้อยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงต่อ อย่าให้มันลงไปข้างผูแล้วก็ลุกไม่ขึ้นไม่เอาต้องรีบกลับมาอิสตามเวรู้รีบกลับมาหาอัลลอฮ์สุบฮานะวะตะลาแค่นี้แหละคืออิสลามแค่นี้แหละที่ท่านนบีเอามาบอกอัลลอฮ์ واحد อัลลอฮ์อิลลฮุน واحد อิสต์กิมูอิเลยกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์พระองค์เดียวจงกลับไปหาพระองค์แต่ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดอิสติฟารต่อพระองค์นอกจากนี้ นะครับก็เป็นนะแค่นี้อิสลามมันก็แค่นี้อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละเรื่องไปแต่ว่าคอนเซปต์ในภาพรวมโครงสร้างในภาพรวมมันมีแค่นี้มอบตัวให้กับอัลลอฮล ะ, ละวันไหนที่ผิดเวลาไหนที่หลงทางให้รีบกลับมาหาพระองค์จบถ้าไม่ทําอย่างนี้นะถ้าไม่ยอมอิสติกมะจะชิริกจะทําเรื่องที่มันผิดเป็นยังไงวะวัยลุลลิลมุชริกี ความวิบัติไว้ลนตรงนี้หมายถึงความวิบัติหรือหมายถึงนรกจะหันน้ำนรกเวลอะลอิาตบิลละลาอิละฮ์อิลลอห์โวยลุลลิลมุชริกินไว้ความวิบัตินั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นพวกมุชริกีนใครคือพวกมุชริกีนอายะตต์ตอไปอัลละติลาอธิบายความหมายของพวกมุชริกีนยูนิตนึง ในในสุราห์นี้นะครับคุณลักษณะของพวกมุชริกินก็คือ الذين لا يؤتون الزكاةوهم بالآخرتهم كافرون คนที่ไม่ยอมจ่าย z a และคนที่ปฏิเสธวันอัคยรห์ a z k a ตรงนี้เนี่ยหมายถึง z a k a ที่เราเข้าใจไหมหรือว่ามันคืออะไร a z k เนี่ยตรงนี้เนี่ย มีความเห็นที่หลากหลายของอุลามะอุลามะที่ส่วนใหญ่นะครับแล้วน่าจะมีน้ำหนักที่สุดทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือคำว่าอัจจักะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการจ่าย zakat าาเหมือนที่เราจ่ายฟิตราอหรือว่าจ่จาย z a กา t ทรัพย์สิน 2.5 เอาเงินมาจ่ายไม่ใช่อัจจักะตรงนี้หมายถึงความหมายในทางภาษานั่นก็คือการทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاه الله تعالى بعجلنا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها หัวใจของเราอะ زكاة تزكي أ ตนเองก็คือทำให้ตัวเองบริสุทธ cool ิ์ยังไงเพราะว่าคาว่า zakat เนี่ยรากศัพท์ของมันมาจากคาว่าความบริสุทธิ์ เวลาที่เราจ่ายอากาศเราก็ตั้งใจที่จะให้ตัวเองนั้นบริสุทธิ์หรือตั้งใจที่จะให้ทรัพย์สินของเรานั้นได้รับความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความหมายเดิมๆของคําว่าอากาศก็คือทําให้บริสุทธิ์พวกมุชริกีนคือพวกที่ไม่อยอมทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ยังคงโสโครสก็สโปรกอยู่กับชิริกนี่คือคนที่ไม่อยอมสัตาตบอลตัลลอฮฺซุลแลฮฺอัลลอฮฺวะอิยาตุบิลละไม่เฉพาะหัวใจ ความคิดความอ่านนะคนที่อยู่กับชีริกเนี่ยแต่ละวันมันไม่มันมันมันมีหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพระบิดาพระมารดามันมันมันมาหมดอ่ะนะแล้วมันมาไม่ยอมหยุดนะหลายปีก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้อะไรต่อเนี้อะไรอย่างเดี๋ยวเดี๋ยเคยเคดูข่าวเนดูข่าว นี่คือสภาพของคนที่อยู่แบบชิริกต่างกันเยอะมากเลยคนที่มีอัลลอสุบฮาาอมีไมพฤติกรรมแบบนั้นเอาจริงๆผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานาอลัลลอองเดียวมีอะไรบ้างที่ดูแล้วสกปรกเรื่องความคิดความอ่านเรื่องเรื่องการประพฤติปฏิบัติในทางหลักศาสนาอะไรบ้าง ในขณะที่พอตรงกันข้ามกับอัลกตาลาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพฤติกรรมหรือพิธีกรรมที่แปลกๆ แ, แล้วจะต้องมีความความมืดความดําความคลุกอยู่กับอะไรที่มันวิ่งน่าเกลียดน่าอุบาทมากกุลัยดาบิลละละอาลลอฮ์วะลาฮฺการศรัทธาทํำให้มนุษย์บริสุทธิ์ตั้งแต่ความคิดความอ่านหัวใจและกระทั่งร่างกายการละหมาดเป็นพิธีกรรมของชาวมุสลิมําระร่างกายให้สะอาด Konfidental mana? Tiada ilah-ila Allah. Perkara yang Al Mushrikuh, iaitu orang yang tidak melakukan kebaikan untuk r i s e n t e n t g w h tentang rangka. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ السَّعْدِ مَوْجُنَ الَّذِينَ عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ مَن لَا يَبْلِغُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا ح َ ي ا ة و ل ا ن ش و ر ً و د س و ء ٌ أو س ا و ء Kamu melakukan kebaikan u n t k d i r s e n d i r ว่าม์ในอิคร์ฮิม์คฟทรูนไม่ยู่มนูนับิลเบอร์ฟีว่าแล้วในจันทร์ทวันนารไม่สัตพาตันสวรรค์ไม่สัตตาตอนรกไม่สัตตาตวัรรคเพราะฉะนั้นโลกดุ น, ยนีย์นี้จึงทําทุกอย่างพี่ตัวเองอยากทําตกต่ําได้แค่ไหนวนลอยยาสบินละก็พร้อมใจวันสองวันมานี้ถ้าใครอยู่ในโลกโซเชียลจะมีดังนะคำคูบัยว่าดังคูบยัยฮะบอะ ก, กูใหญ่อาจจะไม่รู้ ต้องถามพวกวัยรุ่นกำลังเป็นที่โจดจันกันในโลกโซเชียลเลยแล้วก็แต่ละคนก็เรียนแบบไอ้ไอ้ไ อ, อ้ท่าของไอ้คังคูับนี่แหละไม่ต้องเล่าตรงนี้ดีกว่าไปหาด้วย <c oughs> สุบข้านั่ลอเพราะอะไรถึงอยากจะเป็นเหมือนคังคูไบรู้ไหมครับ <c oughs> แม้กระทั่งสาวๆมุสลิมเองก็มีนะที่ทำท่าโพสแบบแบบคังคูบว่าดังคูบผมก็ไม่ได้ใจฮะ ทำทาโพสตแบบคำตัวใบเป็นโซเภตีที่เมืองบอมเบย์ยุ่องๆโสเภณีที่เมือง เ, เป็นต้นแบบนะอิละห์อิละห์กำลังดังอยู่ตอนนี้ในโซเชียลอะไรอ่ะอะไรที่ทําให้คนเราถึงยอง้ยอมถึงกันนะ น, นี่ไม่มีอาคราคนที่ไม่มีอ at, ัคราอะไรดุนยานี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรเขาเขาเป็นได้หมดแต่สําหรับคนที่มีอาคราแต่ จะทําอะไรต้องคิดว่าทำแบบนี้จะเกิดผลอะไรในวันอัฟิโรต่อไปตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอูซุบิลลัฮ์มิม์จาริกเพราะฉะ น, นั้นน่ากลัวมากนะครับไม่ยอมมีเตาอิดไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาทำให้ตัวเองสกปรกไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมศรัทธาต่อการมีวันอัฟิโรก็เลยทําตัวเองอยู่ในดุนยาเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้ปวตกตามแกไหนก็ไม่มีปัญหาอูซนะูบิลลัฮ์อัลัยย่าอูบิลลัฮ์จาริ สิ่งต่างกันเลยกับบันดาลุสัทยานะครับในอายะที่ไปอินนัลล่ีนาอัมานุและก็มิลุศัลย์ฮะละุมเอจรุนไกรุมัมณุนไอ้จริงแล้วบันดาคนที่สัตยท้คนที่ทำความดีอัลลอฮฺจะให้รางวัลตอบแทนที่ไม่ขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนอัลลอฮฺอักบาร์ไกรุมัมนุนไอ้ไรุมักตูอินวลาฟด بل هو مستمر مدى الأوقات تزايد على الساعات مشتمل على جميع اللذات ومش المشتيا นะครั ج ر غير ممنون نوع أوان أخره نانيء ح, و و ح و و و ي ي. ل, ك ل ك و ของ مدى ผู้ศรัทธาเนี่ยขอให้เราตายในสภาพผู้ศรัทธาเถอะอินชาอัลลอฮ์ขอให้มีศรัทธาขอให้ทาความดีตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา t h i ตามคาสั่งของละตาละเล็กๆน้อยๆก็อย่าดูแคลน ความดีที่เราทําเนี่ยถ้าเรารู้อรตะลารับมันเล็กน้อยแค่ไหนต้องมีผลตอบแทนจากอรตะลาในวันอคัคราแน่นอนเราก็จะไม่มีวันหมดสิน้นได้รับความดีจากอรตะลาไม่หมดไม่สิน้นเพราะฉะนั้นดุน ي ة เนี่ยเราเหมือนกับลงทุนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันอคัคราถ้าเราไม่ยอมลงทุนชีวิตของเราในดุน ي ة เพื่อศรัทธาเพื่อความดีเราจะขาดทุนในวันอคัคราแต่ถ้าเราลงทุนสักนิดนึงแล้วมันก็ไม่ได้เกินกําลัง ที่เราจะทําความดีต่อดแต่ละถามว่าเกินกําลังของเราไหมแล้วหนักอ้าเวลามันเกินกําลังของเราตรงไหนไม่ได้เกินกําลังเลยซาดากโกะก็ไม่ได้บอกว่าซาดากโกะทำบ้านทำรถไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเวลาที่เราบอกว่าให้ซาดากโกะเนี่ยให้ไปขายบ้านแล้วก็ไปไปอยู่รินทางใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ต้องการแบบนั้นซาดากโกะให้มันเป็นกิจจะเป็นกิ จ, จวัตรเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แค่นั้นหรอกแต่สิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยอัลลอฮฺ เรื่อยไปภาวรไม่สิ้นสุดในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮ า, านาวตาอิสลามไม่ใช่อะไรที่ยากนะครับขอย้ำเตือนนะครับพี่น้องทุกคนบอกว่าไม่ได้ยากเลยการเป็นมุสลิมการที่เราจะเป็นเบาวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาเราเปิดใจรับฟังคำสอนของอัลลอเปิดใจดูนะครับตัวอย่างของท่านน บ, บลีลลฮอะลัยฮิสลมแล้วเราก็จะรู้นี่แหละคืออิสลามอันง่ายได้ นะครับในชีวิตของการที่เราจะเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จอันยาวนานในวันอาคีะรอนเนี่ยอย่าได้เป็นพวมเงินพวกมุชริกีนะครับที่ไม่ยอมเปิดใจรับฟังคำสอนจากลอสุนทานอัลลอฮฺเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลัอะอง์งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการทบทวนตัวเองในัเรืนนี้จาก8ข้อในสุรุฟซิลัลอัลลอฮฺ تعالى عالم ف َวَ ل ه ُ إ ِ ي َّ ا ه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أ م الع ا ي َ س ب و ن و س ل ا م ع ل ى ا ل م ر س ل ي ن و ا ل ح م د ل ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركات